ศา ส, สนาพุทธนะั้เป็นศาสนาของคนที่ต้องเข้มแข็งเป็นศาสนาที่ท่านสอนให้ช่วยตัวเองจะต่างกับศาสนาอื่นและที่อื่นก็ขอให้เท ว, วดาช่วยให้คนน้นช่วยคนนี้ช่วยศา ส, สนาพุทธเนี่ยศา ส, สนาที่พึ่งตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนเองาการจะพึ่งอันแรกเลยก็คือต้อง ขยันศึกษาหน่อนะฟังซีดีอ่านหนังสือให้มากหน่อยจนถ้าทังเราสามารถเห็นสภาวะธรรมได้เห็นสภาวะธรรมว่ามีรูปธรรมกับ น, นามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าไม่เห็นรูปธรรมไม่เห็นนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเราจะไม่เห็นไตรลักษณอย่างแท้จริง ไตรลักษ์แสดงอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้เท่านั้นแหละไม่แสดงอยู่ในความคิดนึกทั้งหลายสิ่งที่จิตรู้นี่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้ที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์มีหลายอย่างอารมณ์ันแรกเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมา อย่างบัญญัติคนไทยเรียกอย่างนี้คนจีนเรียกอย่างนี้ฝรั่งเรียกอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉั้นบัญญัติเนี่ยไม่ตรงกันละกระทั่งสํ า, าสนักกรรมฐานต่างๆนะก็ชอบบัญญัติสั์ขึ้นเองแล้วก็ไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉั้นอารมณ์บัญญัตยิยังไม่มีสภาวะธรรมรองรับเป็นของเพ้อฝันเราตกลงกันเอาเอง ว่าเอาอย่างนี้นะ อ, อย่างนี้นะทีเรียกสมมุติบัญญัติสมมุติบางคนไปมั่วนะว่าสมมุติตรงข้ามกับวิมุติคนละเรื่องกันเลยสมมุติคือสังมติมีมติร่วมกันนะมีความเห็นร่วมกันในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าอันนี้คือเนี้ยนี่คือนี้คิดนึกบัญญัติปรุงแต่งไปวิมุติความหลุดพ้นคนละเรื่องกันรากศัพท์คนละตัวกัน อารมณ์แรกคืออารมณ์บัญญัติเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้ก็ไม่มีสภาวะรองรับไม่มีจริงสมมุติกันขึ้นมาเองอารมณ์อย่างที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมาอันนี้มีสภาวะรองรับมีสภาวะรองรับอย่างความสุขเียคนไทยสุขคนจีนสุขฝรั่งสุขก็สุขอย่างเดียวกัน หมาแมวสุก็สุกอย่างเดียวกันเทพลมสุก็สุกอย่างเดียวกันความรู้สึกเหมือนเหมือนกันหรือไฟเนี่ยร้อนลักษณะของไฟคือความร้อนคนไทยถูกไฟก็ไฟก็ลวกคนจีนถูกไฟไฟก็ลวกเหมือนเหมือนกันเวลาเรียนที่จะทํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเรียนเข้ามาให้ถึงอารมณ์รูปนามที่เรียกว่าสภาวะนะมีสภาวะทํารองรับจริงๆไม่ใช่เลื่อนลอยเพื่อฝันเอา อารมณ์อย่างที่สาเรียกว่าอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานเนี่ยพุทธชนไม่เห็นนะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่แสดงไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์คือมีความเป็นอนัตตาอย่างเดียวไม่มีอนิจจังทุกขงังไม่มีเจ้าของพุทุชนมองไม่เห็นเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เราไม่เห็นนิพพานมีสภาวะธรรมรองรับ จะต่างกับอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะรองรับนิพพานมีสภาวะสภาวะของนิพพานคือสันติที่นี่วัสถุนสันติธรรมก็คือนิพพานนั่นเองอ น, นิพพานเป็นเที่ยงนิพพานเป็นสุข น, นิพพานเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทํากรรมฐานเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะใช้อารมณ์อะไรสมรถธากรรมฐานนะใช้อารมณ์ได้ทั้งสมอย่าง ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้อย่างเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นบัญญัติบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมอย่างโน้นบริกรรมอย่างนี้นอารมณ์บัญญัติบริกรรมอยู่อันเดียวนะใจมันชอบการบริกรรมันนั้นใจก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ก็สงบได้อารมณ์รูปนามก็ใช้ทำสมถะได้อย่างเอาไฟมาตั้งเขาจุดเทียนแล้วก็เพ่งมันอยู่นั่นแหะ เพลงจ้องอันนี้เป็นรูปที่ตามมองเห็นไม่ใช่เพลงธาตุไฟนะธาตุไฟรู้สึกด้วยร่างกายน่เราจุดเทียนมาตั้งไว้เนี่ยเราเห็นเทียนนี้ด้วยตาเพราะฉะนั้นรูปตัวนี้เป็นรูปอย่างหนึ่งนะเรียกวันณรูปไม่ใช่วันโรคนะเป็นวันณรูปรูปคือสีเราเห็นสีของเทียนสีของไฟก็จ้องอย่างี้จ้องหรือจ้องแสงจ้องอยู่ที่แสงสว่าง เป็นรูปนามธรรมาก็ใช้ใทำสมถะได้อย่างเราเพ่งจิตของเราให้นิ่งจ้องอยู่ที่ตัวรู้นะจ้องหรือเพ่งความว่างเพ่งความว่างๆความไม่มีอะไรเกาไปสู่ความไม่มีรูปก็ทำสมถะได้นิพพานก็ใช้ทำสมถะได้สำหรับพระอริยบุคคล ปุถุชนตองนิพานมาทำสมถะไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเวลาพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาจะทำสมถะโดยใช้นิพานเป็นอารมณ์เนี่ยท่านทำได้หลายอย่างนะใช้อารมณ์อื่นๆเป็นอารมณ์ก็ได้ใช้นิพานเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ถ้าจะใช้นิพานเป็นอารมณ์เนี่ยโสดาสกท า, าคานาคาท่านจะไปผ่านวิปัสสนามาจะไปดูเกิดดับมาเพราะ ดูไปจุดหนึ่งจิตมัจะวางรูปนามยิ่งไปสัมผัสปานิพานแต่พระอรหันต์เนี่ยชำนาญในพระราารนิพานธ์แค่มนานัสิกานแค่นึกถึงก็เห็นเลยอยู่ต่อหน้าแล้วพวกเราไม่เห็นหรอกพวกเราจะไปเห็นความว่างเราก็คิดว่าความว่างเป็นนิพานไม่ใช่ความว่างที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นของที่มีคู่มีคู่คือมีความวุ่นวายคู่กันอยู่เป็นคู่ระหว่างความมีกับความไม่มี เพราะฉั้นไม่ใช่ในิพพานตัวจริงนิพพานมีหนึ่งไม่มีคู่งั้นอย่างที่บางคนบอกว่าปฏิบัตินะไปมองความว่างเนี่ยบอกดูสุญญาตาอันนั้นไม่ใช่สุญญาตาอันนั้นชื่ออากาศสานานใจยตนะเนี่ยสมถะนะใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดแต่วิปัสสนาเนี่ยใช้อารมณ์ได้ชนิดเดียวคืออารมณ์รูปนาม มันมีสภาวะรองรับแล้วก็มีของจริงมีของจริงรองรับแล้วของจริงนั้นแสดงไตรลักษณ์ด้วยงั้นเราต้องแยกให้ออกถ้าเราจะทำสมถะเนี่ยง่ายมากเลยอะไรก็ได้ที่ใจชอบแต่ถ้าทำํำวิปัสสนาต้องรู้รูปรู้นามรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่คิดเอานะถ้าคิดเอาเป็นอารมณ์บัญญัติทันทีเลยพวกเราต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้ อย่า ก, กลัวโง่อย่า ก, กลัวโง่นะที่คิดมากเพราะกลัวโง่กลัวไม่รู้ไอ้ความคิดนี่นแหละปิดบังความจริงความคิดกับความจริงโคโรอันกันงันะ้เนเรียนกรรมฐานนะกล้าหาญหน่อยนะอย่า ก, กลัวโง่บางทีครูบาอาจารย์บอกให้รู้ซื่อๆรู้โง่ๆไปอย่างนั้นแหะอย่างงั้นยิ่งดีรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องคิดมากนะอย่างเวลาพูดคําว่าดูจิตขึ้นมาอย่างนี้ย พวกที่โตหน่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเริ่มคิดแล้วจิตคืออะไรจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูจะดูอย่างไรปัญหามากเลยเลยดูจิตไม่ได้สักทีเด็กเล็กๆบอกมันให้มันดูจิตนะมันดูเลยเพรมันรู้เลยตอนนี้ยจิตหนูสุขจิตหนูทุกข์จิตหนูร้องเพลงอยู่จิตหนูกลัวผีอยู่มันเห็นเลยมันไม่คิดมากมันก็รู้ง่ายคิดมากยากนาน เงิพวกที่เรียนไม่สําเร็จสักทีนะพวกคิดมากยากนานนะกล้าๆหน่อยอย่า ก, กลัวงโงนะ่หัดรู้ไปความรู้สึกของเรามันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะนี่เมื่อสองวันที่ผ่านมาหลวงพ่อสอนเรื่องศีและสิกขาจิตสิกขานะวันนี้จะขึ้นปัญญาสิกขาแล้วเราจะต้องมารู้รูปนามนะการรู้รูปกับการรู้นามนั้นต่างกันรูปนั้นรู้ลงเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลย เดี你 weis, 你 listed, donne, remember, ๋ยวนี้เลยเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นอยู่เลยเริ่มมาถ้าดูได้ละเอียดจะเห็นเลยจิตสั่งให้รูปเคลื่อนไหวรูปก็เคลื่อนไหวจิตไม่สั่งรูปก็ไม่เคลื่อนไหวเนี่จะเห็นเลยมันทํางานอย่างนี้เห็นสดสดร้อนๆ้อนเป็นปัจจุบันขณะคือปัจจุบันขณะขณะเดี๋ยวนี้เลยนะแต่การดูจิตดูใจนั้นไม่ใช่ปัจจุบันขณะจะเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบัน มีความสุขขึ้นมาแล้วค่อยรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ว่ามีความทุกข์เกิดกุศลขึ้นมารู้ว่ามีกุศลเกิดขึ้นเกิดอกุศลรู้ว่ามีอกุศลเกิดขึ้นเมือที่พระเจ้าสอนดุขรภิกขุทั้งหลายฉิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะมีราคาเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีราคะแต่เป็นการรู้ที่ต่อเนื่องกันนะถึงจะเรียกว่าปัจจุบันสันติสืบเนื่องกันกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันขณะ งั้นจะไปดูจิตเนี่ยจะไปดูลงปัจจุบันขณะจะกลายเป็นสมถะทันทีจะไปจ้องจิตแล้วก็ว่างๆอยู่ต้องระวังนะดูจิตเนี่ยต้องกล้าๆหน่อยให้ตาเห็นรูปความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาให้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาให้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกแล้วความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูจิต การเจริญปัญญานั้นใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้ที่จริงในกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งในสติปัฏฐานสี่นั้นใช้ทําสมถะบางอย่างใช้ทําสมถะนะบางอย่างเป็นสมถะสําหรับพวกที่จะต้องเป็นสมถายา น, นิกพระเจ้าสอนอยู่ในสติปัฏฐานสี่ปนเข้ามาด้วยมีสมถะ อารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานสี่เป็นวิปัสนาอย่างเดียวอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานสีใช้ทําสมถะก็ได้วิปัสนาก็ได้อย่างอานาปนสติเนี่ยใช้ทําสมถะก็ได้ทําวิปัสนาก็ได้หรือดูจิตเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสนาก็ได้มีจิตบางดวงที่ใช้ทําสมถะในการดูจิตคือจิตที่ดูความไม่มีอะไรความว่างๆดูความว่างดูช่องว่างอันหนึง่ง กิ จ, จที่ดูความไม่มีอะไรนี่อันหนึ่งนะใช้ทําสมถะได้ง่ายๆเลยหรือจะดูตัวจิตซ้อนไปเรื่อยๆนะดูตัวรู้วิญญาณซ้อนซ้อนซ้อนไปเรื่อยๆอยนี้ก็ได้ฉนะนั้นต้องเรามาระวังไม่ใช่ดูจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะพวกที่ดูจิตดูจิตส่วนใหญ่เป็นสมถะนะดูผิดด้วยซ้ําไปถ้าจะดูจิตให้เป็นวิปัสสนานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้ ว, ลวค่อยรู้เอา ถ้าอยู่ๆไปดูจิตแล้วก็จะกลายเป็นสมถะทันทีเลยนะหรือรู้ลมหายใจนะบางคนบอกว่าเข้าคอร์สวิปัสสนาใช้คอร์สวิปัสสนานะดูท้องผองท้องยุบดูท้องผองดูท้องยุบเป็นสมถะเพราะอะไรเราไปเพ่งตัวรูปไปเพ่งตัวรูปถ้าเห็นรูปนั้นแสดงไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสสนาเนะี่ยต้องะระมัดระวังให้มากเลยการเรียนต้องประณี tn นะมั่ว มัวมากๆแล้วก็เครียดมากๆากบ้ากันก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีอยากพ้นทุกนะแต่ยิ่งเรียนยิ่งทุกข์ก็ใช้ไม่ได้ดูรูปก็รู้สึกถึงรูปที่กําลังมีอยู่นะรูปแท้ๆรูปมีสองกลุ่มนะมีรูปแท้ๆกับรูปไม่แทนะ้นี่ดูยากหนักเขึ้นอีกรูปแท้ๆอย่างธาตุดินธาตุน้าาําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยดูยากไม่ใช่ดูง่าย ลองเอาแขนของตัวเองมาลองจับดูรู้สึกไหมมันมีส่วนที่แข็งๆอยู่ข้างในข้างนอกมันนิ่มๆหัวข้างในรู้สึกไหมข้างในมกระดูกอะข้างนอกเนี่ยนะธาตุดินมันน้อยข้างในธาตุดินมันเยอะมันแข็งนะมเรียนธาตุนะลองเลื่อนมือไปรู้สึกไหมแต่ละจุดในมืออะไในแขนเรล่านี้ มันร้อนมันเย็นไม่เท่ากันเนี่ยธาตุไฟไม่คงที่นะธาตุไฟมันเปลี่ยนผ่อนคลายมือซิทำมืออย่างผ่อนคลายแล้วสัมผัสตัวสัมผัสอย่างนุ่มนวลรู้สึกนุ่มไหมเกรงมือซิแล้วแข็งขึ้นไหมเนี่ยธาตุดินมันเปลี่ยนเวลาที่เราเดินในขณะที่เราเหยียบเท้าลงไปกดพื้นลงไปนะน่องเราจะแข็งขึ้น ธาตุดินเหมือนเพิ่มขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้นนะธาตุดินจะลดลงในขณะที่ก้าวไปนะธาตุลมเหมือนเพิ่มขึ้นดูยากมากนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะดูยากเง้นถ้าพวกเราดูหน้าตาพวกเรานะคนที่จะทรงฌานมีน้อยเหลือเกินมีน้อยกรรมฐานที่หมอคนซึ่งไม่เก่งสมาธินะคือการดูจิต จิตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกกายานุปัสสนาวทนานุปัสสนามเหมาะกับสมถญาณิกนะงั้นเราจะเจริญปัญญาดูลงไปเลยนะดูจิตดูใจการดูจิตดูใจนั้นมีกฎอยู่สมข้อนะกฎข้อที่หนึ่งก่อนจะดูนะอย่าจงใจไปดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดู ต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะเมื่อกี้บอกทีหนึ่งแล้วให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถ้าเราจะดูจิตแล้วแล้วก็ไหนจิตเป็นไงจ้องดูอยู่เอาละตามองเห็นนะแต่ใจตรงนี้ก็จ้องอยู่นะเห็นละเฉยเฉยฟังลวเฉยเฉยเฉยหมดเลยนะไม่มีใจรักให้ดูงั้นการดูจิตเนี่ยอย่าไปจ้องดูอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูนี่คือกฎข้อที่1เลยนะ ถ้าจะดูจิตดูใจตัวเองอ่ะอย่าไปดักดูอย่าไปจงใจดูอย่าไปจ้องดูอย่าไปรอดูไหนไหนคนนี้มาละคนนี้มาคุยกับเราทีไรโกรธทุกทีไหนดซูซิจะโกรธตอนไหนอ่ะคุยไปไม่โกรธเลยเพราะอะไรมัวแต่ดูตัวนี้ไม่สนใจไอ้คนที่ชวนให้เราโกรธธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์นะได้ครั้งละอันเดียวเมื่อเรามาสนใจดูซิว่าความโกรธจะเกิดไหมเราไม่สนใจไอ้คนที่ทําให้โกรธ มันจะไม่เกิดความโกรธเพราะเหตุปัจจัยของความโกรธไม่ครบนะไม่ถูกย่อให้โกรธงั้นการดูจิตดูใจนะต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอย่าไปคอยดูนะถ้าคอยดูดักดูรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างว่างข้อที่สองระหว่างดูนะดูแบบคนวงนอกอันนี้ดูกายก็ใช้ข้อนี้เหมือนกันดูแบบคนวงนอก ดูเหมือนดูคนอื่นเราเห็นความโกรธผ่านเข้ามาในใจเราเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นความโลภความหลงความสุขความทุกข์มันผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราอยู่ในบ้านนั่งสบายๆดูสบายๆไม่วิ่งตามเพอบไปไม่ใช่คนเดินผ่านหน้าบ้านนะคนนี้สวยก็วิ่งไปลากเข้าเข้าบ้านนะเห็นหมาเดินผ่านหน้าบ้านกลัวมันจะมาอือใส่หน้าบ้านกวิ่งคว้าไม้ไปไล่ตีมันออกไปอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของการดูจิต นะดูจิตต้องดูห่างๆเราจะต้องดูว่าหมาตัวนี้จะมีพฤติกรรมยังไงนะไม่ใช่ไปจัดการแทรกแซงพฤติกรรมหมานะดูหมามันมาก็รู้ว่ามันมาหมามันไปก็รู้ว่ามันไปเนะี่ยตัวความรู้สึกก็จะดูเหมือนเหมือนเห็นหมานะเหมือนเห็นหมาเดินผ่านหน้าบ้านหมาเราเข้าบ้านทั้งวันนะหมาเราผ่านไปผ่านมาแล้วเราเอามันเข้าบ้านนะรู้สึกไหม ความโกรธเกิดขึ้นนะ้ลากมันเข้ามาในใจเราเลยให้มันครอบงาใจเราใจเราเลยเป็นสวมหัวใจหมากัดไม่เลือกเลยเอันนี้นะใครดูนะอย่างตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหมก็เห็นความสุขมันผ่านมาผ่านไปไหนแต่ถ้ารอดูไหนๆความสุขอยู่ไหนไหนๆไม่เห็นมีเลยว่างก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอย่าไปขวนขวายดูพยายามดู ระหว่างดูดูห่างๆดูแบบคนวงนอกเพราะตรงนี้แหละที่ต้องแยกขันเป็นแยกขันไม่เป็นจะเป็นคนวงในจะคลุกวงในจะรวมจิตอารมณ์จะรวมกันทันทีเลยต้องดูห่างๆดูสบายๆข้อที่สดูแล้วไม่แทรกแสงดูแล้วไม่แทรกแสงเช่นความสุขเกิดขึ้นใจมันอยากให้ความสุขอยู่นานๆรู้ทันใจที่โลภใจมันยินดีในความสุขมันโลภ รู้ทันความรลภมันดับใจเป็นกลางก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่เข้าไปแทรกแซงว่าความสุขต้องอยู่นานๆหรือตอนนี้ไม่มีความสุขก็เที่ยวแสวงหาความสุขอันเนี้ยพยายามแทรกแซงจิตไม่มีความสุขอยากให้มีความสุขจิตมีความสุขแล้วอยากให้อยู่นานๆอันนี้แทรกแซงทั้งหมดเลยหรือเวลาความทุกข์ก็เหมือนกันไม่แทรกแซงมัน ความทุกข์เกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไม่แทรกแซงความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปหาทางทําให้หายถ้าหาทางละความโกรธก็คือหาทางแทรกแซงให้สักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแทรกแซงด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างยินดีเช่นความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้มาใหม่ ยินร้ายก็เช่นความทุกข uh. ์กเกิดขึ้นอยากให้ดับเร็วๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดอีกเต็ไมไปด้วยความไม่อยากไม่อยากให้มันอยู่ไม่อยากให้มันเกิดเียอยากแทรกแซง <barely okay? S 2> ถ้าแทรกแซงแล้วเราจะไม่เห็นความจริงถ้าแทรกแซงเราจะไม่เห็นความจริงอย่างขนาดที่ความโกรธเกิดขึ้นเราก็บริกรรมโกรธนอโกรธนอโกรธนอความโกรธหายไปเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของความโกรธแต่เรารู้สึกว่ากูเก่ง ความโกรธเกิดขึ้นกูบริกรรมแล้วความโกรธหายได้กูเก่งแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะแทนที่จะเห็นว่าความโกรธเขาเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้กลับรู้สึกว่าบังคับได้เหนือมนุษย์ธรรมดาคือแทนที่ภาวนาแล้วจะลดละความเห็นผิดนะกลายเป็นเพิ่มความเห็นผิดได้ด้วยนั่นต้องระมัดระวังนะอย่าเข้าไปแทรกแซงเห็นสภาวะทั้งหลายก็สักแต่ว่าเห็นไปจําได้ไหมข้อที่หนึ่งว่าอะไร อย่าไปดักดูข้อที่ 2. ดูแบบคนวงนอกนะข้อที่ 3. ดูแล้วไม่แทรกแสงดูด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าใจมันยินดีให้รู้ทันใจมันยินร้ายให้รู้ทันใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติรู้ทันความยินดียินร้ายความยินดีนร้ายดับใจก็เป็นกลางก็เห็นสภาวะเกิดดับไป ดูไปนานเลยนะเห็นสภาวะเกิดดับสุกมาแล้วสุกก็ไปทุกมาแล้วไปดีมาแล้วไปชั่วมาแล้วไปวันหนึ่งเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะว่าเราเห็นนะจิตมันได้ยอมรับความจริงแล้วว่าทุกอย่างเป็นของช่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วไปเหมือนเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาความสุขมาเนี่ยจิตไม่หลงระเริงไม่หลงยินดี เวลาความทุกมาจิตไม่หลงยินร้ายเวลากุศลมาจิตไม่หลงยินดีเวลาอาคุศลมาจิตไม่หลงยินร้ายเนี่ยจิตมันเป็นกลางเพราะมันมีปัญญามันเห็นแล้วว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะต้องฝึกนะเบื้องต้นฝึกให้เป็นกลางด้วยสติโดยการรู้ทันความยินดีินร้ายที่เกิดขึ้นเวลารู้สภาวะแล้วดูห่าง après, ถ้ามันยินดีินร้ายขึ้นมารู้ทันมันมันจะเป็นกลางด้วยสตินี่ก็เห็นสภาวะเกิดดับไปนาน เป็นเจวันเจเดือนเจปีอะไรแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมันฉลาดมันรู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวต่อไปนี้อะไรมานะจิตมันฉลาดซะแล้วมันมีปัญญามันก็จะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนั้นจิตจะเสมอกันหมดจิตเป็นกลางไม่ใช่อยากได้อย่างหนึ่งปฏิเสธอย่างหนึ่งตรงที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรค คือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคมัไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็คือประตูแห่งอริยมรรคนะต้องทํำวิปัสสนาจนแก่กล่าเลยจนทั่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแนละเป็นประตูของอริยมรรคตัวนี้จิตมีปัญญาชื่อว่าสังขารู้เปกขาญาณสังขารอุปเปกขาญาญญาญคือปัญญาอุเบกขาคือความเป็นกลางสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายจิตเข้าถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายด้วยปัญญา ปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นั่นเองจนกระทั่งเข้ามาสู่ความเป็นกลางถึงจุดนี้จะมีรอยแยกมีทางแยกสองทางทางที่หนึ่งสำหรับคนซึ่งหวังความพ้นทุกข์เห็นโลกนี้เป็นทุกข์หาสาระไม่ได้จิตจะโน้มน้อมไปในทางสาวกภูมินะจะเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาเมื่อมาถึงสังคารุเปกขายานมีทางแยกอีกทางหนึ่งนะถ้าจิตเกิดมหากรุณาต่อสัตว์อื่น จิตจะน้มน้อมไปหาพุทธภูมิคนที่หวังพุทธภูมินะก็มีมากมายแต่หวังพุทธภูมิแล้วเนี่ยถ้าจิตยังไม่เดินปัญญามาจนถึงสังขารู้เปกขานะต่อให้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่งแล้วไปทำบุญกับท่านมากมายแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งท่านยังไม่พยากรณ์ให้เพราะอะไรจิตนี้ยังกลับกลอกอยู่ยังทนความทุกข์ไม่ได้จริงนะ ถ้าจิตเข้าถึงสังขารู้เปกขานี่สุขทุกข์เสมอกันแนละ้ไม่กลัวตกนรกแล้วนะกล้าฝ่าไฟนรกไปช่วยคนอื่นได้นะสละตัวเองได้สาวกกับพระโพธิสัตว์นั้นไม่เหมือนกันพระสาวกนั้นมุ่งช่วยตัวเองก่อนแล้วช่วยผู้อื่นทีหลังพระโพธิสัตว์มุ่งช่วยคนอื่นก่อนช่วยตัวเองทีหลังแต่ก่อนจะไปช่วยคนอื่นได้ก็ต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองก่อน ว่าพัฒนาไปลําดับลําดับไปจนกระทั่งในด้านสติปัญญาเนี่ยนะถึงสังขารุปเปกขาแล้วเวลาไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้บุญบา ร, รมีแก่กล้าเต็มที่ละปัญญาก็เต็มที่แล้วนะท่านสามารถที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้ในวันนั้นที่พบพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่เอาเนะพราะมหากรุณาเนี่ยเตือนใจว่าต้องไปช่วยสัตว์โลกเนี่ยถ้าหาก บุญบา ร, รมีไม่พอที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นนะพระพุทธเจ้ายัางไม่พยากรให้เลยแล้วใจไม่ถึงสังขารุปเปกขาเนะี่ยไม่มีทางเลยถึงสังขารุปเปกขาแล้วบา ร, รมีไม่พอจะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็ยังไม่พยากรนะมีหลายเงื่อนไขนะกว่าจะได้รับพยากรนะงั้นที่หวังพุทธภูมิหลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกบางคนก็หวังนะก็หวังไม่เตอะสัตว์โลกในอนาคตก็ต้องการพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่เอา ก็เคยได้ยินหลวงปู่ดุลบอกนะอยู่ๆท่านก็นั่งท่านนั่งเก้าอี้โยกนะหลวงปู่ดูล น, ะนั่งนั่งแต่ว่าไม่โยกทําไมต้องนั่งเก้าอี้โยกคนมันอยากให้ท่านสบายซื้อเก้าอี้โยกให้ท่านนั่งไม่รู้หรอกคนแก่โยกไปโยกมาเวียนหัวท่านเอาขาแย่ไว้ที่พื้นเพื่อไม่ให้เก้าอี้โยกนะเหมือนคนนะเป็นห่วงเห็นท่านแก่นะซื้อไม้เท้าไปหาไม้เท้าไปให้ท่านนะไม้เท้าอย่างดีเลย เป็นกาละปัญ ห, หาหรืออะไรเหมือนล้ า, ยานยาวในบ้านนี้แหละเนี <c> ่ย <oughs> เหมือนที่ถืออยู่นั่นแหละแล้วเวลาหลวงปู่ถือไม่เท้าเนี่นะหลวงปู่ไม่เคยแตะพื้นเลยท่านต้องแบกไปเพราะท่านแข็งแรงท่านไม่ต้องยันนะแต่ถามแล้วหลวงปู่ถือทําไม <c oughs> ถือให้เขาเดี๋ยวเขาเสียใจ <c oughs> เลยไหนก็ถือไม่เท้าโชว์ไปเลยเลย <c oughs> ee, นี่นั่งเก้าอี้ก็เอาขา ย, ยันไว้ไงนะ เวลาไปหาท่านนะอย่าไปพูดมากหาหลวงปู่ดูล่ะเป็นะปนั่งแล้วก็พาวนาของเราไปถึงเวลาท่านพูดเองวันหนึ่งหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่กับท่านท่านก็พูดขึ้นมาเออเราฟิจารณาดูแล้วนะเวลานี้นะคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะเราดูไปแล้วนะมีมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอีกอดวงดาวบนท้องฟ้ามีเป็นล้านนะใช่ไหมมีนับไม่ถ้วน หลวงปูบอกว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิตอนนีนะ้ที่สร้างบารมีอยูอ่ไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะพวกที่สร้างแล้วมีมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าก็ฟังแล้วไม่เอาคิวยาวเหลือเกิน <laughs> ไม่เอาพาวนานดีกว่า <laughs> ต้องฝึกนะค่อยๆจเจริญปัญญาไปศีลต้องรักษา สมาธิต้องฝึกฝึกสมาธิโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเรารู้ทันไปแล้วมันจเจริญปัญญาถ้าดูกายก็ดูลงปัจจุบันขณะเห็นเดี๋ยวนี้เลยตัวร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เราถ้าจะดูกายให้ดีต้องทำสมถะมากๆถ้าจะดูจิตก็ใช้ดูจิตธรรมดาของคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่จิตของคนทรงฌานนะดูไปง่ายๆ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกะทอมอารมณ์เรารู้เอาก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูระหว่างดูดูห่า ง, างดูแบบคนวงนอกนะดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียพอดูแล้วเห็นสภาวะแล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงสภาวะถ้าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะเข้าไปแทรกแซงสภาวะาและแทรกแซงแล้วเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะ ถ้าไม่ได้แทรกแซงเราจะเห็นใจรักความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ดับไปโดยที่เราไม่ได้ไปดับมันความสุขความทุกข์มาแล้วเข้าไปโดยที่เราบังคับมันไม่ได้แทรกแซงมันไม่ได้จะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าแทรกแซงเก่งนะใจสุขใจสว่างใจสบายใจสงบก็รู้สึกกูเก่งกูเก่งขึ้นมาอันนั้นเกิดจากการแทรกแซงแต่ถ้าเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงจะไม่เกิดกูเก่งจะเห็นว่าไม่มีกูจะกลับหัวกลับหางกันเลย งันหัดดูไปเรื่อยๆน ะ, ะไปกินข้าวนี่หมดนะครับ